เลริญพรท่านรู้มีจิตศรัทธามีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่29มีนาคมพุทธศักราช2557เป็นวันที่ท่านทัหลายได้ตั้งใจมาวัด เพื่อมาทำบุญมาลาบากมาชำระใจให้สะอาดเพราะมีศรัทธาความเชื่อในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ส่งสอนไว้ว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนี่คือคำสอนที่แท้จริงของ พระพุเจ้าสอนที่กฎแห่งกรรมคือกรรมแปลว่าการกระทําทางกายทางวาจาและทางใจเมื่อมีการกระทําทางกายทางวาจาก็จะมีวิบาก ค, คือผลของกรรมตามมาคําว่ากรรมนี้ภาษาของพระ นี้เป็นคำกลางๆไม่ใช่เป็นบุญหรือเป็นบาปแต่ส่วนใหญ่เรามักจะใช้ ร, รมแทนคำว่าบาป ก, กันเราจรึงอาจจะเข้าใจผิดก็ได้ว่าการกระทำคำว่ากรรมนี้ความจริงแนละ้วไม่ได้หมายความว่าบาปเสมอไปคำว่ากรรมนี้ความหมายที่แท้จริง แปลว่าการกระทาทางกายทางวาจาและทางใจทางกายก็คือ ก, การกระทาด้วยร่างกายเช่นทาบุญนี้ก็ต้องใช้ร่างกายพามาวัดนำข้าวของต่างๆมาอย่างนี้เรียกว่าการกระทาทางกายเป็นการกระทาดีเป็นคุณเป็นประโยชน์ เรียกว่าบุญการกระทำทางกายที่เป็นโทษไม่เป็นประโยชน์ก็คือการฆ่าลักทรัพย์ประพฤติผิดโดยนี้นี่ก็เรียกว่าเป็นการกระทำทางกายเหมือนกันแต่เป็นการกระทำที่ไม่ดีเป็นโทษเราจะเรียกว่าบาปเป็นการทําบาปเมื่อทําบุญหรือทําบาปแล้ว ก็จะมีวิบากวิบากแปลว่าผลของการกระทำวิบากนี้ก็ปรากฏขึ้นภายในใจของเราเลยอันนี้เป็นวิบากเป็นผลที่แท้จริงของกรรมที่เราทำคือเราทำบุญใจเราก็จะมีความสุดความสุดนี้เราก็เรียกว่าสวรรค์เวลาทำบา ใจมีความทุกข์มีความวุ่นวายเดือดร้อนเราก็เรียกว่านารกหรืออบายเนี่ยนากสวรรค์นี้ไม่ได้อยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจของเราใจผู้เป็นผู้กระทํา<ม>เป็นหัวหน้าการกระทําทั้งหมดก่อนที่ร่างกายจะทําอะไรได้<ม>ก็ต้องรับคำสั่งจากใจก่อน คำสั่งของใจคืออะไรก็คือความคิดนี้เองเช่นมวานนี้เราคิดว่าวันนี้วันเสาร์จะมาวัดจะมาทําบุญจะมารักษาศีลจะมาละาบาปจะมาศึกษาปฏิบัติธรร ม, มนี่เรียกว่าเป็นความคิดเป็นการกระทำ<ม>ทางใจภาษาพราะเรียกว่ามโนกรรม กรรมที่เกิดจากมโนมโนก็คือใจใจนี่แหละเป็นผู้กระทำกรรมที่แท้จริงส่วนร่างกายคือการกระทำทางร่างกายหรือทางวาจานี้เป็นลูกน้องเป็นผู้รับคำสั่งดังนั้นผู้ที่กระทำจริงๆและผู้ที่รับผลการกระทำจริงๆก็คือใจ ร่างกายนี้เขาไม่รู้เ ร, เรื่องอะไรเขาทำตามคำสั่งของใจและผู้ที่รับผลของการกระทาก็คือใจเช่นเวลาทำบุญใจมีความสุขเวลาทำบาปใจมีความทุกข์นี่บุญกับบาปหรือคือความสุขกับความทุกข์ใจนี้ อยู่ภายในใจของเราเรียกว่านารโกเรียกว่าสวรรค์ถ้าสุขใจก็เรียกว่าสวรรค์ถ้าทุกข์ใจก็นาวโลกแล้วใจเราอยู่ที่ไหนใจเราก็ไม่ได้อยู่ที่ร่างกายใจเราอยู่ในอีกโลกหนึ่งที่เราเรียกว่าโลกทิพย์โลกทิพย์นี้เกิดคือที่อยู่ของใจของพวกเราทุกๆคน ใจของพวกเรานี้ก็มีฐานะไม่เหมือนกันเพราะเราทำบุญทำบาปมามากน้อยไม่เท่ากันโลกทิพนี้ถ้าเปรียบเทียบก็เป็นเหมือนคอนโดคอนโดนี้ก็มีหลายชั้นมีตั้งแต่ชั้นที่หนึ่งขึ้นไปจนถึงชั้นสูงสุดคนที่ทำบุญก็จะอยู่ชั้นสูงคนที่ทำบาปก็จะอยู่ชั้นต่ำ คือใจที่ทำบุญนี้จะอยู่ชั้นสูงชั้นต่าก็คืออยู่กับบุญกับบาปที่ทำไว้ในแต่ละเวลานี้เองเช่นตอนนี้เราทำบุญเราก็ได้เลื่อนชั้นขึ้นไปสูงขึ้นถ้าเราทำบาปเราก็จะเลื่อนชั้นของเราต่ำลงมาบุญและบาปนี้ก็จะแบ่งเป็นสองส่วน คือส่วนบุญนี้ก็เรียกว่าสวรรค์ส่วนบาปนี้ก็เรียกว่าอบายสวรรค์ก็มีหลายชั้นด้วยกันชั้นเทพชั้นโพรหมชั้นอริยเจา้าอันนี้ก็แบ่งเป็นสามชัน้นชั้นบาปก็มีอยู่สชั้นของเดะชะฉานชั้นของอสุรกายของเปรต ของนรกนี่อันนี้อยู่ภายในใจของแต่ละคนสวรรค์นรกนี่ ข, นขึ้นขึ้นลงลงใจของเราขึ้นขึ้นลงๆไปตามการกระทาของเราเหมือนกับบัญชีเงินฝากเงินกู้ของเราเวลาเราเอาเงินไปฝากบัญชีเงินฝากของเราก็เพิ่มขึ้นเวลาเราไปกู้ บัญชีเงินกู้ของเราก็เพิ่มขึ้นมีหนี้มากขึ้นมีหนี้มากขึ้นก็มีทุกข์มากขึ้นถ้าทาถ้าเอาเงินไปฝากในธนาคารยอดเงินฝากมีมากขึ้นก็มีความสุขมากขึ้นนี่ก็คือเรื่องของนรกเรื่องของสวรรค์อยู่ภายในใจของเราร่างกายของเรานี้เป็นมนุษย์ แต่ใจของเรานี้อาจจะเป็นเทพก็ได้หรืออาจจะเป็นเดรัจฉานก็ได้อาจจะเป็นเปรตก็ได้ขึ้นอยู่กับใจขึ้นอยู่กับการกระทำของเรานังที่มีคำพูดว่าร่างกายเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นเปรตบ้างร่างกายเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นเทพบ้าง น, นี่ก็คือผลที่เกิดจาก การกระทำบุญหรือการกระทำบาปไม่มีใครมาจดบัญชีไม่ต้องมีใครมาจับเราไปเข้าไปอยู่ตามชั้นต่างๆกรรมนี้เป็นเครื่องจำแนกแยกศับท่านมีคำพูดไว้กรรมคือการกระทำจะเป็นตัวที่จำแนกแยกใจของพวกเราให้เป็นไปต่างๆเป็นเทพบ้างเป็นพรหมบ้าง เป็นพระอริยะเจ้าบ้างเป็นมนุษย์บ้างเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นนรกบ้างขึ้นอยู่การกระทำของเราคือความคิดของเราพอเราคิดแล้วเราก็สั่งไปที่ร่างกายเช่นถ้าจะรักทรัพย์ก็คิดว่าวันนี้จะไปรักทรัพย์ที่นั่นที่นี่แล้วพอมีโอกาสก็ย่องเข้าไปรักทรัพย์ที่ต้องการมา พอรักมาแล้วใจก็วุ่นนลสิใจก็กังวลและเดือดร้อนนะไม่สบายใจกลัวว่าจะถูกจับไปลงโทษแต่โทษมันเกิดแค่แล้วภายในใจโทษหลักนี้คือผลที่เกิดขึ้นภายในใจคือความทุกข์หรือความสุขอบายหรือสวรรค์ส่วนโทษที่เป็นโทษรองนี้ก็คือโทษ โทษที่ตามมากับร่างกายเช่นไปลักทรัพย์แล้วตำรวจตามมาจับก็จับร่างกายไปขังคุกขังตารางส่วนคนทำดี<ม>ทาบุญ<ม>ก็จะมีคนเอารางวี<ม>รางวัลมาให้แต่โทษของทางร่างกายผลของทางร่างกายนี้มันไม่แน่นอนเหมือนกับผลทางใจผลทางใจทําปั๊บ เกิดขึ้นทันทีสุขทุกข์เกิดขึ้นทันทีแต่ผลทางร่างกายนี้อาจจะเกิดก็ได้ไม่เกิดก็ได้เช่นไปลักทรัพย์แล้วก็อาจจะไม่ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับก็ได้เพราะอาจจะไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นก็รอดตัวไปไม่ถูกจับไปลงโทษคนที่ทำประโยชน์ทำความดีก็อาจจะไม่ได้รับรางวัลก็ได้ เช่นทํางานในบริษัททำความดีด้วยความซื่อสัตย์สุดจริงแต่เจ้านายอาจจะมองไม่เห็นก็ได้ก็าอาจจะไม่ได้รับผลตอบแทนไม่ได้รับรางวัลไม่ได้ขึ้นเงินเดือนไม่ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแต่นี่ไม่ได้เป็นผลของการกระทําที่แท้จริงเพราะว่าไม่มีส่วนที่จะทำให้ใจสุขหรือใจทุกข์เหมือนกับการกระทา ถ้าเราทำความดีถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้รับรางวัลแต่เราก็จะมีความสุขใจมีความสบายใจมีความภูมิใจแต่เราต้องทำโดยที่เราไม่มีความโลภอยากได้ผลตอบแทนถ้าเราทำความดีเพื่อที่เพื่อที่เราอยากจะได้ผลตอบแทนการทำขางดีของเราอาจจะไม่ทำให้เรามีความสุขใจก็ได้ เพราะเราจะรอรับผลรางวัลจากการทําความดีเราทําความดีแล้วเราไม่ได้รับรางวัลไม่ได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเราก็จะเสียใจได้เราก็จะทําให้เราเข้าใจผิดว่าทําดีแล้วไม่ได้ดี<ม>เห็นคนที่เขาทําไม่ดีกลับได้รังวีรางวัลได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่ง พอเขาทำต่อหน้าเจ้านายเขาก็เอาอกเอาใจเจ้านายเขาเจ้านายเห็นผลงานของเขาเขาก็ได้รับรางวัลได้รับการขึ้นเงินเดือนได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแต่นั้นไม่ได้เป็นผลที่แท้จริงผลทแท้จริงอยู่ที่ในใจเวลารับหลังเจ้านายก็ไปขโมยของเจ้านายไปโกง เอาของหรือเอาเงินทองของบริษัทไปใช้แต่เจ้านายไม่รู้ไม่เห็นเ จ, เจ้านายก็เห็นแต่ตอนที่มารับใช้มาคอยเอาอกเอาใจเจ้านายก็เลยให้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งให้ขึ้นเงื่อนขึ้นเงินเดือนอย่างนี้แต่ใจของคนที่ทําผิดนี้จะไม่สบายใจถึงแม้จะได้รับรางวัลต่างๆ แต่ความดีใจที่ได้รับจากการได้รับรางวัล น, นี้มันมีกําลังน้อยกว่าความทุกข์ใจไม่สบายใจที่เกิดจากการทำผิดเพราะจะมีความกลัวว่าไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องถูกจับได้แล้วตอนนั้นก็จะต้องถูกลงโทษเช่นถูกจับไล่ถูกขับไล่ออกจากการไปได้ความกังวล น, นี้ก็จะฝังอยู่ในใจ แต่คนที่ทำความดีไม่ว่าจะต่อหน้าหรือรับหลังแล้วไม่ได้หวังรังวีรางวัลจากการกระทำความดีเขาก็จะมีความสุขใจมีความสบายใจได้ขึ้นเงินเดือนหรือได้เลื่อนตำแหน่งหรือไม่เขาก็ไม่เดือดร้อนอะไรเพราะเขาไม่มีความโลภอยากจะได้รางวีรางวัลเขาพอใจกับผลตอบแทนคือเงินเดือนที่ได้รับ เขามีความพอใจแค่นั้นเขาได้แค่นั้นก็พอแล้วการทำความดีของเขาก็จะทำให้เขามีความสุขใจเพราะเขาไม่มีความโลภอยากได้รางวี่รางวัลอยากได้การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้เงินเดือนเพิ่มแต่อย่างใดดังนั้นเราต้องทาความเข้าใจให้ถือว่าเรื่องของกรรมและผลของกรรมนี้อยู่ที่ใจของเราเป็นหลัก ส่วนผลทางร่างกายนี้เป็นผลพลอยได้อาจจะเกิดขึ้นก็ได้ไม่อาจจะเกิดขึ้นก็ได้ถ้าเราเข้าใจอย่างนี้แล้วเวลาเราทำบุญทำความดีเราจะได้ไม่ท้อแท้ไม่เบื่อนาเพราะเราจะมีความสุขทันทีเวลาที่เราได้ทำความดีแล้วเราจะไม่นั่งมังไม่ต้องมานั่งรอผลตอบแทนทางร่างกาย เช่นหลังวิหลังวันได้รับโลได้รับประเกตห น, นังสือประกาศประเกตเกียรติคุณอะไรต่างๆเหล่านี้ถ้าเราไม่มีความโลภอยากได้สิ่งเหล่านี้เราก็จะไม่มีวันที่จะต้องเสียใจนี่คือเรื่องของการทำความดีของการทำบาปไม่มีใครรู้เรารู้เวลาเราทำบาปนี่เรารู้เราทาบาปแล้วเราก็เป็นผู้ รับผลของการทำบาปคือเราไม่สบายใจแล้วและเวลาที่เราตายไปใจของเราเป็นอะไรเราก็จะไปเป็นอย่างนั้นทันทีใจเราเป็นนรกเราก็จะไปอยู่ในนรกทันทีใจเราเป็นเทพเราก็จะไปสวรรค์ทันทีคือเป็นอยู่แล้วใจของเราขึ้นอยู่ในคอนโดโลกทิพย์อยู่แล้วใจของเราขึ้นขึ้นลงลง ตามการทำบาตรทำบุญของเราอยู่แล้วนี่แหละคือเรื่องของบุญของบาตเรื่องของใจของเราผู้เป็นผู้กระทำและเรื่องของนรกเรื่องของสวรรค์ที่อยู่ในโลกทิพนี้ก็เป็นเรื่องของใจของเราร่างกายเราตายไปแต่ใจของเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายร่างกายของ ใจของเราอยู่ในโลกที่อยู่ในชั้นบุญชั้นบาปชั้นนรกชั้นสวรรค์ที่ได้ทำไว้แล้วไม่ได้รอไม่ต้องรอเป็นอยู่แล้วอย่างตอนนี้ใจของพวกเราก็เป็นเทพขึ้นมาแล้วเพราะเหตุที่จะทำให้เทพเป็นเทพก็มีอยู่สองข้อด้วยกันคือหนึ่งทำทานสองรักษาศีลพอเราทำทานปั๊บ เรารักษาศีลไม่ทำบาปใจของเราก็เป็นเทพขึ้นมาแล้วถ้าเราทาทานแต่เรารักษาศีลไม่ได้เราไปทำบาปใจของเราก็ไปเป็นเปรตแล้วไปเป็นเดรัจฉานแล้วไปตกนรกแล้วเพราะการทาทานเพียงอย่างเดียวจะไม่สามารถที่จะทำให้เราเป็นเทพได้ ถ้าเราไม่ทําบาปไม่ทำบุญไม่ทําทานเลยเราก็จะเป็นมนุษย์มนุษย์ก็คือผู้ที่อยู่กคงกลารอยู่ระหว่างนรกกับสวรรค์ถ้าไม่ได้ทําทานไม่ได้ทําบาปก็เป็นมนุษย์ถ้าอยากจะเป็นพรหมก็ต้องทําทานแล้วก็รักษาสิงแล้วก็นั่งสมาธิทําใจให้สงบให้ได้ เวลาใจสงบขึ้นมาใจก็เป็นพรหมแล้วถ้าอยากจะไปเป็นพระอาริยเจ้าเป็นสพระโสดาบันเป็นพระสกิดาคามีพระอนาคามีพราะอารหันต์พระพุทธเจ้าก็ต้องมีปัญญามีดวงตาเห็นธรรมเช่นพระโสดาบันก็จะเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเรา ความเจ็บของร่างกายก็ไม่ได้เป็นเราผู้เป็นผู้เจ็บผู้ที่เจ็บก็คือร่างกายเราเป็นใจเราเป็นผู้ดูแลร่างกายเป็นเหมือนหมอร่างกายนี้เป็นเหมือนคนไข้เวลาคนไข้เจ็บนี้หมอไม่ได้เจ็บด้วยเวลาคนไข้ตายหมอไม่ได้ตายด้วยเพราะใจไม่ได้อยู่ที่ร่างกายใจอยู่ที่โลกทิพย์ ใจมารับรู้ร่างกายผ่านกระแสจิตกระแสจิตส่งมาที่ร่างกายมารวบรู้เรื่องราวของร่างกายแต่ความหลงที่ไม่มีใครสอนไม่มีใครบอกว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เป็นใจก็เลยทำให้ใจหลงคิดว่าเป็นใจร่างกายเป็นใจขึ้นมาพอร่างกายเป็นอะไรใจก็ตกใจหมอบอกจะฉีดยายังไม่ทันฉีดยาเลย ใจก็ตกใจไปก่อนแล้วทั้งๆที่ใจไม่ได้เป็นคนที่ถูกฉีดคนที่ถูกฉีดก็คือร่างกายแต่พอเราได้มาได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนให้เราแยกกายออกจากใจให้รู้ว่าใจไม่ได้เป็นร่างกายไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับร่างกายใจก็ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่เหมือนกับหมอกับคนไข้ ไม่ว่าคนไข้จะหายหรือไม่หายจะเป็นหรือจะตายหมอก็ไม่ได้เป็นอะไรไปยกับคนไข้คนที่มีปัญญาก็จะปล่อยวางร่างกายได้เหมือนกับหมอปล่อยวางคนไข้นักษาคนไข้ไปหายก็หายไม่หายก็ไม่หายตายก็ตายแต่หมอไม่มาล่องหมบล่องห้มาหวาดกลัวมาวุ่นวายใจกับคนไข้ หมอก็ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดแล้วรักษาได้ก็รักษาไปแต่จะรักษายังไงก็ตางไม่ช้าก็เร็วก็ต้องตายไปในที่สุดเพราะนี่คือธรรมชาติของร่างกายผู้ที่มีปัญญาเห็นความจริงอย่างนี้ก็จะเป็นพ้าโสดาบันได้ก็จะไม่ยึดไม่ติดกับร่างกายจะปล่อยวางร่างกายไม่กลัวความตายไม่กลัวความเจ็บไข้ได้ป่วย พาอรู้ด้วยปัญญาว่าตนเองไม่ได้เป็นร่างกายตนเป็นใจตนไม่ได้ป่วยไปกับร่างกายไม่ได้ตายไปกับร่างกายนั่นเองนี่คือปัญญาถ้าเราอยากจะเป็นพระอาริยบุคคลขั้นต่างๆเราก็ต้องสร้างปัญญาขึ้นมาก่อนที่จะสร้างปัญญาได้เราก็ต้องมีสมาธิก่อนเราต้องผ่านขั้นพรมไปก่อน ก่อนจะผ่านขั้นพรมได้เราก็ต้องผ่านขั้นสวรรค์ไปก่อนจากมนุษย์นี้เราก็ต้องขึ้นไปชั้นเทพก่อนต้องทําทางรักษาศีลก่อนพอขึ้นไปชั้นเทพได้แล้วเราก็มานั่งสมาธิทําใจให้สงบพอใจให้ใจสงบเราก็ขึ้นสู่ชั้นพรมได้พอเราเข้าสู่ชั้นพรมเราก็จะสามารถก้าวเข้าสู่ขั้นของพระอริยจเจ้าได้ ขั้นของพระโสดาบันขั้นพระสกิดาคามีขั้นพระอนาคามีขั้นพาาาระอรหันได้พอเราอยู่ขั้นพระโสดาบันเราก็จะขึ้นสู่ขั้นพระสกิดาคามีได้พระสกิดาคามีนี้เป็นอย่างไรก็เป็นผู้ที่มีความเบื่อหน่ายในกาอมอารมณ์ในเรื่องของการเสกกางเศกรูปเสียงกลิน่นรสโผฏฐะ เช่นการร่วมหลับนอนกับผู้พระสกิดาคามีก็จะเกิดมีความเบื่อหน่ายแต่ยังไม่หมดยังมีการอารมณ์อยู่แต่มีน้อยลงไปกว่าพระโสดาบันพระโสดาบันนี้ยังมีครอบครัวยังอยากมีแฟนอยากมีสามีอยากมีภรรยาอยู่แต่พระสกิดาคามีนี้เริ่มเกิดความเบื่อหน่าย เพราะเหตุการ์ต้องจะต้องพัดพากจากกันเวลามีแฟนก็อาจจะจากกันได้ก็เลยเกิดความเบื่อหน่ายแต่ยังมีความรักความชอบอยู่บางเวลาก็เกิดอารมณ์ก็จะไปมีแฟนได้นี่คือขั้นพระสกิดาคามีเห็นความไม่เที่ยงของคู่ครองของการมีคู่ครอง ว่าต้องมีการพักๆจากกันแต่ยังไม่เห็นอสุภะคือความไม่สวยงามของร่างกายถ้าต่อไปท่านเริ่มเห็นความไม่สวยงามของร่างกายท่านก็จะดับการอารมณ์ได้พอดับการอารมณ์ได้นี้ก็จะเป็นขั้นที่สามได้บรรลุขั้นที่สามคือขั้นพระอนาคามีพระอนาคามีนี้จะเห็นร่างกายว่าไม่สวยงาม พอจะเห็นทั้ง32อาการนอกจากผมขนเล็บฟันหนังแล้วก็จะเห็นเข้าไปข้างใต้ใต้ผิวหนังจะเห็นเนื้อเห็นเอ็นเห็นปอดเห็นม้ามเห็นหัวใจเห็นตับเห็นลำไส้เห็นน้ำต่างๆน้ำดีน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำเหงื่อน้ำมันข้นเห็นสิ่งที่สกปรกเห็นอุจจาระเห็นปัสสาวะ ถ้าเห็นอาการต่างๆเหล่านี้ของร่างกายแล้วก็จะทำให้ไม่เกิดมีการมณ์ขึ้นมาผู้ที่อยากจะดับการมาลงก็จะต้องระลึกถึงความไม่สวยงามของร่างกายอยู่เรื่อยๆจนสามารถทำลายการมาลงที่เกิดขึ้นมาได้ทุกครั้งเวลาเกิดการมาลงก็จะนึกถึงส่วนที่ไม่สวยงามส่วนที่น่ารังเกียจของร่างกาย ก็จะทำให้ไม่มีการอารมณ์ต่อไปก็จะได้บรรลุปเป็นขั้นที่สามเรียกว่าขั้นพระอนาคามีส่วนขั้นที่สี่คือขั้นพระอาหารหันต์นี้ก็คือจะต้องเห็นว่าใจนี่แหละเป็นตัวรู้เท่านั้นไม่ใช่เป็นตัวตนใจนี้เป็นผู้รู้ถ้ารู้อะไรแล้วยังมีอารมณ์กับสิ่งที่รู้อยู่ ยังมีปฏิกิริยาตอบโต้กับสิ่งที่รู้ที่เห็นอยู่ mm hmm. เช่นเห็นเวลาได้ยินเสียงใครดา่า mm hmm. ก็มีอารมณ์อย่างนี้ยังเรียกว่ามีตัวตนอยู่แต่ถ้าเป็นพระอาหารหันต์นี่ท่านจะรู้เฉยๆใครด่าก็รู้ว่าเขาดา่าแต่จะไม่มีอารมณ์กับการด่าของเขาเพราะรู้ว่าห้ามเขาไม่ได้สั่งเขาไม่ได้ห้ามเขาไม่ให้ดา่าเราไม่ได้ เ ข, า, า, ขาอยากจะด่าก็ต้องปล่อยเขาด่าไปเขาอยากจะดีก็ปล่อยเขาดีไปเขาอยากจะชั่วก็ปล่อยเขาชั่วไปอย่างถ้าพ่อแม่นี้เป็นพรอาอารหันต์จะไม่ไปทุกข์กับลูกลูกจะดีก็เรื่องของลูกลูกจะชั่วก็เรื่องของลูกพ่อแม่มีหน้าที่สั่งสอนก็สั่งสอนไปบอกลูกว่าทำอย่างนี้ไม่ดีถ้าลูกจะฝืนจะทำพ่อแม่ก็ไม่มาวุ่นวายใจไม่มาทุกข์ใจไม่มีอารมณ์ พ่อแม่จะรู้เฉยๆว่าลูกคนนี้ดื้อสอนไม่ได้สอนไม่ได้ก็ต้องไปล่อยไปตามเวรตามกรรมของเขาแต่ถ้าพ่อแม่ไม่ได้เป็นผ้าอาหารหันพ่อแม่ก็จะวุ่นวายใจจะต้องขอร้องลูกขอ อ, ขออย่างนู้นขออย่างนี้ร้องห่มร้องไห้เวลาลูกทำอะไรไม่ดีขึ้นมาแต่ถ้าพ่อแม่เป็นผ้าอาหารหันนี่จะไม่ร้องไห้จะไม่ทุกข์กับความไม่ดีของลูก ก็ถือว่าเป็นเรื่องของกรรมของเขาเขาทําบาปมาเขาทํากรรมมาเขาจึงมีนิสัยไม่ดีติดตัวมาเขาชอบเกเลเขาชอบเที่ยวชอบเล่นชอบโกหกชอบลักขโมยอันนี้เป็นเพราะว่าเขาเคยเป็นอย่างนี้มาก่อนในชาติก่อนพอชาตินี้มาถูกสอนก็ไม่ยอมฟังไม่ยอมเชื่อพอ พอพ่อแม่ไม่อยู่รับหลังพ่อแม่ก็ไปทาผิด ท, ทันทีถ้าพ่อแม่เป็นผาา้าอรหันพ่อแม่ก็จะเฉยๆเพราะว่าทำอะไรไม่ได้ห้ามเขาไม่ได้ก็ต้องปล่อยไปตามบุญตามการรมของเขาแต่ถ้าเป็นพ่อแม่ที่ยังไม่เป็นผาา้าอรหันก็จะเศร้าโศกเสียใจร้องห่มร้องห้าเสียหอบเสียใจพ้นวายใจเดือดร้อนใจ นี่คือพระอาหารหันต์ผู้ที่จะปฏิบัติให้ถึงขั้นพระอาหารหันต์ได้ต้องศึกษาให้รู้ว่าใจนี้เป็นเพียงผู้รู้เท่านั้นใจไม่มีตัวตนในผู้รู้ใจเป็นเพื่อนผู้รับรู้เป็นผู้คิดคิดแล้วก็ทำตามสิ่งที่คิดถ้าเป็นพระอาหารหันต์ก็จะคิดแต่เรื่องที่ที่ไม่เป็นโทษกับใครจะคิดแต่เรื่องที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ คิดเป็นธรรมอย่างเดียวเพราะพระ อ, อรหันต์นี้รู้ทันกิเลสรู้ความรู้ทันความคิดของกิเลสว่าเป็นความคิดที่เสียหายคิดไปแล้วจะทำให้เสียใจเช่นคิดอยากจะให้ลูกเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พระ อ, อรหันต์จะไม่คิดจะไม่มีความอยากลูกจะเป็นอย่างไรก็เป็นเรื่องของลูกไปมีหน้าที่สอนก็สอนไปมีหน้าที่เลี้ยงก็เลี้ยงไป เขาจะเชื่อไม่เชื่อก็เป็นเรื่องของเขานี่คือการที่เราจะมาทำกรรมดีต่างๆตามที่พระเจ้าทรงสั่งสอนคือให้เราทำบุญละบาปแล้วก็ชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์เราก็จะได้รับผลต่างๆอย่างที่ได้แสดงไว้จากมนุษย์เราก็จะไปเป็นเทพจากเทพเราก็จะไปเป็นพรห จากพรหมเราก็จะไปเป็นพระอาริยเจ้าขั้นต่างๆจนถึงขั้นสูงสุดพอเราถึงขั้นสูงสุดเราก็ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปเราก็จะไม่มีความทุกข์อีกต่อไปเพราะเราจะไม่มีความแก่ความเจ็บความตายอีกต่อไปนั่นเองนี่คือผลที่เราจะได้รับจากการที่เรามีศรัท ธ, ธาความเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ จากการที่เราปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ขอให้พวกเราพยายามปฏิบัติกันต่อไปจนกว่าเราจะได้บรรลุผลขั้นสูงสุดเมื่อถึงขั้นนั้นแล้วเราก็ไม่ต้องทำอะไรต่อไปเราเป็นมหาเศรษฐีเต็มที่แล้วมีกินมีใช้ไปตลอดไม่มีวันอดอยากขาดแคลนอีกต่อไป การแสดงก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุดติดไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนตรัยและคุณกุศลที่ท่านได้มาบังเพนกานย์วันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญด้วยอายุวันณะสุขะภาลนะ โดยทั่วหน้ากันเธอ